ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อไปนะสถานที่ใดนานทีปีหนอันนี้ก็นับว่านานไม่ได้มาเจอมาพบศรัทธาญาติโยมพอมาถึงชาปนากิจวันนี้ก็เมื่อไหว้พระจบเสร็จตรงไปแล้วก็การาบรัธนาสินเพราะนั้นก่อนที่หลวงพ่อจะให้สินหลวงพ่อจะทําความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยม สักเล็กน้อยคือสินเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครผู้ใดอธิบายไม่มีใครแนะนำเลยพอการปรารถนาสินประสงค์ครูบาอาจารย์ก็ให้สินต่อไปก็เลยเป็นประเพณนี้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็จะดูถูกพวกเราที่เป็นปู่ย่าตาทวดว่าสินนี่เป็นของคือของรัชสมัยไปแต่ตามไม่จริงสินเป็นของทันสมัย ุการสถานที่เวล่เวลาเพราะว่าสินถ้าหากว่าพวกเราขาดสินมากๆเหมือนกับพวกเราไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายบ้านเมืองตั้งขึ้นมาแล้วบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นที่ตกลงกันแล้วคณะรัฐบาลกำหนดกฎหมายออกมาคนในชาติไม่เคารพกฎหมายไม่ใช่ว่าจะมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขคนในชาติ มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉนั้นศินของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันที่ท่านบัญญัติขึ้นมาเมื่อ2องพันห้กว่าปีก็เพื่อให้พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอย่างหลวงพ่อจะเป็นผู้นําให้ศินเป็นข้อแรกปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสามาธิยามิทพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าต้องการความสุ ข, สขความสงบ ร่มเย็นเป็นสุขอย่าเบียดเบียนกันอย่าฆ่ากันถ้าว่าฆ่ากันฆ่าเขาเราไปฆ่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเขาเขาก็เสียใจทุกใจเพราะผู้อื่นมาฆ่าตระกูลของเราญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วมีเหตุมีผล ถ้าหากว่าพวกเราเคารพซึ่งกันและกันความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราอธินาทานาเวรมณีคือเรื่องอธินาทานคือขโมยของคนอื่นเขาของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนไม่แพ้เราของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราก็รักสงวนห่วงแหนถ้าของเขาก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยของเขา เขาก็เสียใจเขาขโมยของเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าหาว่าพวกเราต่างคนต่างจ้องออมองขึ้นจะขโมยแต่ของคนอื่นเขา เ, ออเขาก็เป็นทุกข์เราขโมยของเขาเขามาขโมยของเราละ่ะเราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันคําว่าขโมยขโมยคํานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กไปถึงใหญ่ ถ้าถึงใหญ่ก็คือขโมยพ่อขโมยแม่ขโมยลูกของเขาเขโมยสามีภรรยาของเขาไปจับเขาไปเรียกค่าทายอย่างนี้แปลว่าขโมยของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหา ว, ว่าเขามาทําให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เป็นทุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขโมยกันเพราะพ่อใเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วถ้าเราคิดดูให้ดีนะมีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วพวกเราจะ สงบร่มเย็นเป็นสุขสอนข้อที่สามกามสุมิชาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของใครก็ตามเขาก็รักสงวนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละเราก็เสียใจเช่นเดียวกันพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมน้นๆสิงข้อที่สี่มุสาวาทเาวรมณี อย่าไปโกหกคนอื่นเขาถ้าเขาไปโ ก, โกหกเขาต้มถุนหลอกลวงเขาทำให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเสียเงิน เ, เสียทองเสียยศถาบรรดาศักดิ์เสียเวล่าเวลาของเขาเทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเขามาโกหกเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดีอันนี้คือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุรามระยะมัชฌประมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างอาพวกคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้ากินมากๆคนขาดสติแล้วพูดไม่รู้เรื่องะ เ, เพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติแล้วอฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะนั้นสินข้อที่ห้าถึงจะ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอเฉพาะการอยู่กินแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้ อ, รอนเอยอย่างขับรถไปชนคนอื่นอย่างเนี้ยเอไปเฉียวไปชนคนอื่นอย่างเนี้ยเอเพราะขาดสติเพราะว่าคนเมาเนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเอยอย่าไปดื่มสุราก็รู้อยู่แล้วเยกินสุลาเข้าไปก็ต้องเมาถ้าเมาเข้าไปแล้วไปงไงต้องขาดสติ ถ้าขาดสติแล้วเป็นไงสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างเนี้ยเนี่ยก็รู้เป็นแนวแถวอย่างนั้นอยู่แล้วทําไมพวกเราจึงดื่มสุราถ้าเป็นไปได้ถงงดได้ก็ดีนะเพราะฉะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้จะเป็นผู้พาสมาทานนี้มีคุณค่าอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้เพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดไตรตรองด้วยเหตุผลนะสินของพระพุทธเจ้า มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าพวกเรารู้จักคุณค่าของสิ่งเว้นเสียแต่พวกเราเห็นแก่ตัวนะคนเห็นแก่ตัวเรจะไม่เห็นแก่ใครถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ประพุติผิดในการรมลูกาํามีของใครก็ได้มุสาโกหกใครก็ได้ดื่มสซราแล้วฆ่าทำความชั่วเสียหายอะไรก็ได้ อันนั้นแปลว่าคนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกๆ ท, ท่านนะควรจะมองเขามองเราเราเขาเขาเราเพราะฉนั้นสินของพระพุทธเจ้าจึงมีคุณค่าสําหรับพวกศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้นับว่าเป็นวันเศร้าโศกเสียใจของเจ้าภาพ ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมความเสียใจกับผู้ที่วายชนในวันนี้แต่ตามม่จิีในหลักของพระพุทธศาสนาหรือในหลักของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ถือว่าความตายเป็นของธรรมดาแต่ทว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าเห็นคนอื่นตายพวกเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่พอมาใกล้ตัวเข้ามาชักจะไม่ธรรมดาแต่พอมาถึงตัวเองยิ่งไม่ธรรมดาเพราะเหตุไรเพราะว่าการล้มหายตายจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกเต่าเหล่าหลานวงสาคณาญาตมิตรสหาย เป็นเรื่องที่ตัดขาดไม่มีความเยื่อใยที่จะเห็นอีกในภพนี้ชาตินี้ต่อไปก็คงจะเป็นภพหน้าชาติหน้าจึงได้พบได้เจอกันเมื่อได้เกิดมาก็ต่างคนก็ต่างลุ่มหลงไปคนละทิศละทางกันเหมือนกับไม่รู้จักกันอันนี้คือ วิญญาณและวาจิตใจของท่านผู้นั้นพวกเราท่านทั้งหลายพูดอย่างนั้นได้อันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสหรือท่านบอกเอาไว้ว่ า, วาคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายอันนี้เป็นของธรรมดาธรรมดาสำหรับพวกเราคิดทั่วๆไปแต่พอมาเจอกับเข้ากับตนเองแล้วไม่ธรรมดางานนี้ก็เหมือนกัน ที่พวกเรามาแสดงความเสียใจที่ท่านผู้มรณภาพไปท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พิกประเทศชาติออทำไมถึงบอกประเทศชาติท่านก็ไม่ได้ทำความชั่วเสียหายทำคุณให้แก่ประเทศชาติมีแต่เกื้อกูลหนุนในคนในท้องถิ่นของพวกเราตลอดถึงสามีภรรยา ตลอดถึงภรรยาและลูกเตา้าเหล่าหลานทุกคนก็ให้ความรักเคารพตั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันฝ่ายพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเป็นต้นกำลังพูดอยู่นี่ท่านก็โยมคนนี้นะพ่อจําปีบุตรกุลแล้วก็โยมแม่ออกของเพื่อนนะกับลูกเต้าของเพื่อนลูกชายเพื่อนกับไปบวชที่วัดหลวงพ่อไปวัดหลวงพ่อ หนพรรษาที่ผ่านมานะเพราะนั้นเทวาเป็นผู้มีบุญคุณกับพระพุทธศ า, าสนาอย่างมากควรเอาไปเอบ้านนี้เขาภาษาอีสานแลยเดี๋วบ้านนี้นะเป็นผู้มีบุญคุณกับพระพุทธศาสนาเป็นผู้เกือ้อกูลหนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระวันศิลหรือวัน ในพัรษาเพิ่นจะไปรักษาอุโบสถจูวัดอาจารย์สดเป็นประจำํำ อ, อ, อันนี้ก็คือทั้งสองผัวเมียสองตายายกับผอมลูกเต่าของเพิ่นก็นับว่าเป็นผู้เสื่อมันในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสื่อมันในพระธรรมคําสั่งสอนของออพระพุทธเจ้าเสื่อมันในรัมคัมสอนของคู่บาอาจารย์ออในถิ่นฐานของบานเฮ้านับว่าเป็นข้นดีออตระกูลหนึ่งสกุลหนึ่ง ที่เกื้อกูลนุ่นกันเพราะนั่นมือหนึ่งหยาดพี่น้องเพ่อนฝงจิงเดมามากไม้มาหนึ่งชาติปนกิจของเพิินเนี่ยแล้วก็พร้อมกันมือหนี่ก็เป็นมือฝนตกอีต่างหากแล้วก็หนาวอีต่างหากกับพวกเฮาไปยัง อ, อดสาพยายามมากถือว่าการมาชาติปนกิจนี่มาเพียงมือเดียวเท่านี้ออออพอโยม จีบกฝื้นไม่พวกเข้าเผาอีกคนไปพวกเข้าเจริม่าถึงฝนตกฝนลินหนาวขนาดนี้พวกเขาก็ยังมาในงานศพของเพลินเพราะเหตุว่าเป็นผูม้มีบุญคุณเป็นผู้เป็นที่รู้จักกันเอ่อเป็นผู้เคยบำเพ็ญคุณงามความดีร่วมกันมาเอ่อในปัจจุบันในขณะนี้ เ, เพราะฉะนั้นพวกเข้าจึงเจรม่าพร้อมกันชา ป, ปนกิจของคุณโยม ตีได้หวงรับดับขันไปเพราะนั้นพวกเข้าที่ม่านมือนี้ไก่ถือวาโยมที่เพิ่นหลวงรับไปนันให้ถือว่าเป็นตัวยางของพวกเข้านะจะไปถือเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าเป็นตัวยาง เ, เพิ่นตายเป็นตัวยางให้พวกเข้าเห็นมันอไปอีกสักมือหนึง่งพวกเขาก็จะต้องเดินตามเพิ่นไปเรื่อยๆบม่มีผู้ใดจะลีกหลีหนีผลไปได้ นี่แหะเป็นลัทธินากลัวที่สุดที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตัดสรูปธรรมเพื่ อ, นนรอบรรลุธรรมเมื่อก่อนดิพนจะหนีไปบวชที่เพิ่นจะหนีจากเวียงจากว่ง เ, เขาไปอยู่ในปา่าหลงพงไพ่ถึงหกปีที่พระพุทธเจ้าสิทธาของเฮา เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่คิดคิดดูวังนุสิทธาเนะพิ่นอยู่ในเวียงในว่างมีพร้อมวัดทุกอย่าง ถ้าจะวาไปแล้วก็ยิ่งกว่าพวกเข้าที่นั่งดูในนิมดทุกคนมีพร้อมแต่ว่าในคิตในใจของเพลนถ้าจะวาไปแล้วเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีบุญนักซักใไ ย, ยความคิดกระบอคือพวกเข้าการกระทํากระบอกขือพวกเข้าการพูดกระบอกือพวกเข้าแนวความคิดของเพลนนี่กว้างไกลกว่าพวกเข้าเพราะนั่นเมื่ออายุเพลนยี่สิบเกปี ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นผู้มีกําลังสมบูรณ์คนที่อายุ29ปีความคิดความอ่านกําลังว่างชาก็สมบูรณ์บริบูรณ์ก็พร้อมกันกับพร้อมทั้งยศถาบรรดาศักดิ์สับปริวานก็พร้อมวัดทุกอย่างแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเพิ่นวนาจะเพิ่นวนาจะหนีออกจากเวียงว่งไปอยู่ในป่าหลงพงไพรอันนี้คือความคิดสามัญชนอย่างพวกเข้าท่านทั้งหลายคิดกัน แต่ศีรษะนบดิคือจังสันไปพนก่อ น, นที่สกิดจิตสกิดใจพนอย่างมากก็คือเพ่นไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนแก่เดินพานหน้าพนพนจะเด็ดไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่ผมหงอกหลังโค้งสักไม่เท่าเพ่นบ่เคยเห็นจักเถื่อคนแก่เพราะว่าในยุคสมัยนั้นพระเจ้าจุธโอธนานี่ ตั้งแต่สิทธะเกิดภามทำหน้าว่าทหาว่าข้องครวัตจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิขันว่าออกบวชสิ่ได้เป็นพระเจ้าทีได้เป็นต้นศาสน า, ศาต้นศาสนาผู้หนึ่งอันนี้แหะคือพระเจ้าชูโทษนาคือพระบิดาของสิทธะนี่บอกว่าถึงยังไงก็ต้องเอาให้ลูกชายให้ได้บวชให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่พให้ออกบวช เพราะนั้นจะบ่จะบ่ห้เห็นในสิ่งที่บบพึ่งป่าถนาให้เห็นแต่สิ่งที่ดีดีทั้งมัดในสายตาของสิทธาเพราะนั้นพระวิดาจึงประคบประงมดูแลเสย่างดีให้เห็นในสิ่งที่พึ่งป่าถนาสิ่งที่ว่าทุกอกทุกใจเราสิ่งที่ทุกใจนั่มเลยิี่บ่อยสิทธาเห็นมันออกไปจากนั้นเพิ่อนก็เบียดบางสิ่งที่มั่นบ่ดีเอาไว้ทั้งหมด อ่าทไปสเสดส์ไปทา้งใดทั้งนี้เพื่อนเคเห็นแต่สิ่งที่ดีจะเลื่อหูจะเลื่อนตาในการได้เห็นได้ยินมลงไปแต่เมื่อนั้นจะเป็นบุญวัฒนาบา ร, รมีของเพิ่นเนีมาถึงแล้วก็ได้เพื่อนเดินไปเพื่อนจ ะ, สะเสดส์ไปสวนอุทยานอกับปราศรลดของเพิ่นพวกรถม้าที่สเสด็จไปมีนายฉันน่ะเป็นผู้ขับรถม้าไปเพื่อนก็นั่งอยู่ในรถมา้า เพิ่นไปนะนี่เห็นเห็นคนแกเดินผ่านหนาเพิ่นเพิ่นก็นถาม น, น, นายชันนาที่นายสัตถีลงไปเอ๊ะอันนั้นคืออีอย่างเพราะฉาเพิ่นละคือคนแต่บอคือค้นเหมือนฉนขั้นว่าคนเป็นอย่างังเป็นอย่างสัน่ น, นผมก็บหงอกหนากระเหี่ยวหนังกระเหี่ยวหลังกับผมไส้ไม่เท่าอีต่างหากนายชันนาวันคนแกคนแกพระเจ้าข้าอ้าวทำไมเป็นเป็นอย่างเงี้ยแก เออสิทธาบอเคยเห็นคนแก่เนี่สิทธาเขาคนเขเลยบอกว่าคนต้องเป็นหนงสี่แล be ้ว <Una> ไปเจ้าข่าวเ่ขั้นบ่อตายง่ายก็แก่ทิงสี่แล้วสันเข้าได้สิแก่เป็นบ่อสันสิทธาว่าแก่คือกันเลยแล้วผมมีผลได้สิผนไปได้เรื่องเรื่องเนี่ยแบบนั่นแล้วสันขั้นทำว่าพระองค์ก็บดบสินเป็นสนง่ายสันโห้กันเป็นหนงสี่สิหาความสุขได้จังไรนี่ถ้านพูดว่าเอเห็นคนแก่จากนั้นก็ปะปะปะกับกับ อกลับดดรถสัตย์นกลับกับแบบผมมีปีมีคุยแล้ววันนึงไปเพระเห็นคนแก่สลดใจยังอยังยังลึกสูงวันนึงไปก็เลยผ้ากลับเขามากลับเขามาเวียงว่างมานาั่งคุนเคิดแล้วว่นนี้คนเฮ้าหนึ่งต่อไปขั้นแก่ถึงสี่สิหาความสุขใดจังใดบังดุสัตย์ที่ไปเจอไปพบไปเห็นเมื่อนี้เบื้องห่างก้มก้ อ, อยย่างก้มก้อยยักษ์สัตย์วันนี้สี่พีความสุขใดจังใดเดินกข บ, บพิษ พิษปกติร่างกายกับพิดปกติเบื้องตาหูร่างกายพิษปกติมัมันบวคือมนุษย์จะมีความสุขใดจังเลยนี่แหละคนมากคุณคิดกันเลยแต่ก็ยังคิดบ่ตกพ่อจองมันอกีกต่อมาอีกจะเด็จไปอีกไปเห็นคนเจ็บเหมือนแห้งทุกกว่าเก่าอีก อ, อชักดิ่งจักนอกอันนั้นคืออย่างอันนั้นคือคนเจ็บเอาไปยังยังเจ็บถ้าว่าคนบางข้างมันก็นเจ็บแล้วเจ็บไครได้ป่วยเป็นของธรรมดา ในชนะอธิบายฟังพุทธกดกับเขาเวียงว่างอีกมาคิดอีกจนไปเห็นคนตายอย่างที่ว่าเนี่ยคนหามคนตายไปทังหน้าอันนั้นคือเม่นอย่างเ น, นีคนตายาท่านเข้าสิตายเป็นบอกตายเป็นขึ้นกันแล้วท่นเอ้ในชนะที่นายสถถีบอกจากนั้นเกดกลับเขามาเวียงว่งพ่อไปข้างที่ซีเนี่ยพระ อ, องค์จะเดชไปสวดอีกไปไปเห็นสมณะคือนักบวชนางยกหางถนนอยู่ในหล่มตนใหม่ตามลําพัง่ง พลกระมังเพลกระเบิงเอออันนี้แปลว่าเป็นผู้โดดเดียวเดียวใดยอยู่ตามลําพังอันนี้ก็มังที่จะเป็นคนทั้งที่จะเป็นนางขุนคิดเอ่อด้วยสติด้วยปัญญานางขุนคิดถามว่าเฮาอยู่ในเวียงในว่งอยู่ในหอปราสาทราชมณเทียนเออมีอัคคมเหสีหน้าจ๋นมหน้ารีเสนาอําบานพวกเขา้าหัวของเราคือนจิคิดพอออกดอก คิดในเรื่องที่จะละเอียดถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเฮาควรจะหนีออกจากเืีองว่างไปคิดอย่างส ม, มณะองค์นี้ที่เปน็นนางตามลําพังในต้นใหม่นี่คงจะเป็นโหนขทางนี่แหละที่จะเป็นโหนทางที่จะคุ้นคุ้นคิดที่เรื่องละเอียดและอ๋อขนาดนี้ได้เลยนี่แหละคือต้นเหตุแห่งศิทธะออกไปบวชวันนี้ไปเออคือพระพุทธเจ้าของเฮาออกไปบวชนี่คือต้นนี้แหละคือเห็นความแก่ความเจ็บความตาย โมเมนต์อย่างอื่นเดย์จากนั้นพลเขามาคิดถึงว่าปูยาตายา ย, าย่ยบ่วงสาคณาญาติของของเพลลิินไปใส่มัดเพลินก็บอกว่าตายตายกันมากเป็นทอดถอดเศึกษาอะไรในบ้านศึกษาโอ้ถ้าเป็นเร่องสั้นคณ น, นวา่าเข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินขืนมาเก็บหอมรอมริบสั์สมบัติเขามากกองไว้ต่อไปเข้ากับแ ก, ก, กเก็บตายพอตายแล้วลูกของเข้าก็สืบทอดไปอีกแล้วสิ้นสุดที่ตรงไหน มีเพียงแค่หนีการเกิดเป็นมนุษย์จากนั้นพระองค์ก็เลยหนีออกจากเวียงวังไปตามลําพังไปกับน่ายชันนะสองคนสเสด็จออกไปบวชไปอยู่ในป่าบําเพ็ญอยู่ในป่าหกปีล่องพิษล่องถูกล่องถูกล้องพิษล่องพิษล่องถูกคือเหนกับร่องวิทยาศาสตร์จังสันหลับ เ, เหมือนกับเขาไปฟุกฮัตปลูกต้นใหม่หรือว่า ทั้งผู้ไรเขาจะไปเลี้ยงเกษตรจริงสเขาก็ต้องฝึกหัดในการเลี้ยงเกษตรอันนี้ผู้ไรที่ฝึกหัดในการที่จะทําเครื่องบินเขาก็ไปฝึกหัดขึ้นกันแล้วเขาที่ไป เ, เรื่องการทํายุกทำยาขึ้นกันเขาก็ไปฝึกซสอมขึ้นกันอันนี้ศิษฐาเนีไปฝึกหัดเรื่องจิตใจของผนวชไปบำเพ็ญก่อนออไปทีเฮ็ดอย่างไรซึ่งจะบวแก่บวเจ็บบวาตาย มีมีทางออกบอกมีมืดแล้วก็มีสว่างมีหอนแล้วก็มีเย็นเอมันมีคูคูคูกันทั้งวัดในโลกเลยแล้วมีเกิดมีตายแล้วมีตายแล้วเอ่จริงที่บกเกิดอีกที่พวตายมันมีบอกเนี่ยนี่แหละสิทธะเป็นคนจนถึงวันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนวันไปเนีวันวิสาขบูชาเนี่ย พระพุทธเจ้าเพลินก็เลยค้นพบนางสมาธิบ้านมือเพลินจีข้นพบเลยมือเพลินเพลินจีข้นพบนะเพลินนางสมาธิหันหนาไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับทับขาสายมือข ว, ขวาทับมือสายทํากายให้ตรงดํามล่งสติเฉพาะหนากําหนดล่มหายใจเขา่าหายใจออกแต่เพลินบด้ว่าพุทธโธนะเพราะว่าเพลินยังเพได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพลินม่แต่กําหนดล่มหายใจเขา่ารู้ว่าหายใจเขา่า หายใจออกกลูว่าหายใจออกมีสติกับร่มหายใจเข่าหายใจออกคือบ่อยทรงจิตไปทางอื่นบ่อยคิดถึงอดีตบ่อ้คิดถึง อ, าางอานาคตบ่อเฮิตปุงฝุ่งสารไปทางอื่นให้จิตอยู่กับเจ้าของแต่ว่าก่อนที่เพลินสี่น่งจิตเขาสู้เขาความสงบนั่นนะเ อ, อในปฐมสมโพธิหรือว่าในพุทธประวัติเนะ่ยเพลินว่าพยาม่านเขามากักลกขวนเพลินเลย พญาม่านเขามาล ก, กวนคือนั่งตันหาราคะนั่งอรดีคือพญาม่านลูกสาวพญาม่านเขามาล ก, กวลเนเพิลนแต่ตามไม่จริงเพิลนพูดเป็นปุคคลาธิฐานส่วนธรรมาธิฐานนั่นคือพระพุทธองค์นั่งสมาธิเข้าไปแล้วเพิลนคิดถึงพอ่อถึงแม่ถึงลูกถึงเมียถึงบงสาคาญายาถึงสนมหน้ารี่ของเพิลนวนไปคือมันล้วนแล้วแต่เป็นม่านทั้งหมดที่เขามาหาเพิลนวนไป ถ้ามาจิตใจของค น, นวุ่นวายใสแสบกระซับกระใสวนออกไปจิตใจบอสงบพอเหตุใดพพระ อ, องค์คิดถึง เ, เรื่องเก่าเรื่องอดีตคือเรื่องมงสาคณนายาดเพราะนั้นพระ อ, องค์ก็เลยตัดสินใจด้วยอธิษฐาน อ, อ, อธิษฐานปรามีสัมปันโนลงไปตั้งจิตอธิษฐานให้มัน่นข้าพระเจ้าจะบอกคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันให้อยู่ให้จิตให้จิต ใ, ใจอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เพราะนั้นพระ อ, องค์จึงตัดใจพระ อ, องค์จิตใจพระ อ, องค์จึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันพระ อ, องค์เกิดจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเพราตจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพระ อ, องค์เกิดญาณทัศน์นะละลึกชาติทนหลังใดีแล้วลึกชาติทนหลังว่าชาติที่แล้วเป็นอย่างนี่แหละได้รับของพุทธศาสนาให้พวกเข้ายืนยัยนไะด้แน่พูกเข้าพูดได้เลยวะ่ะ ตายแล้วบอ่อศูนย์มันออกไปตายแล้วเกิดอีกเนี่ยตายเกิดอีกแน่นอนเพราะลักของพุทธศาสนาก่อนที่พวกพรอพุทธเจ้าสีตือกลู่ว่าตายแล้วเกิดอีกคืออย่างเพลินกำหนดลมหายใจเขาออกรู้ว่าร่างกายของเขาเนี่เป็นอันนึงส่วน จ, จิตใจคือน้า ม, มาัทเหตุเป็นอันหนึง่งมันคนละอันกันแต่ร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่นอนอย่างขุนยมเพลินต้องแตกตายสลายแน่นอน แต่ว่าส่วนหน้ามะถ้ำนี่ยบอ่อตายไปเกิดปฏิสนธิในภพภพุ่มต่างๆอีกคันเพาะออกจากร่างนี่ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วร่างกายของเขานี่คือกันกับรถอาจารย์พลวะเออร่างกายของเข้าคือกันกับรถส่วนวิญญาณคือนหน้ามะถําเนี่ยคือกันกับคนขับรถมันคอนละอันกันเองสัน้นทางว่าเข้าภาวนาเนี่ยทางว่าเข้าภาวนาทําจิตไทยสงบทําจิตไทยเป็นหนึ่งแล้วนะ บลิกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเขาจะรู้ได้บ้างจิตสงบหนึ่งลงไปละเข้าจะรู้ได้แล้วว่าร่างกายนี่เป็นอันหนึง่ง จ, จิตใจคือน้ามหัมม์คือตัวผู้รู้ตัวแนวตัวคล่องคิดนะ่ะตั ว, ตวนึกตัวคิดตัวผู้รูนะ้น่ะตัวหน้ามหัมม์คือการกับคนขับรถอยู่ในร่างกายของเหง้าตัวนั่นแหละเป็นผู้บังคับให้ร่างกายของเหง้าผูดจังสันผูดจังสี่เดินไปหันเดินไปนี่ทําการทํางานถ้าหากว่า ร่างกายคือว่าจิตใจบวงวิญญาณออกไปสักเดี๋ยวนี้ใครคืนเนี่ยยมจําปีเนี่ยรุงพลอจําปีเนี่แต่ว่าร่างจิตใจคนออกแล้ววันหนตัวผู้รูออกจากร่างกายคือการกับรถเนี่ยมันเสียว่าหนึไปลูกสูบมันติดนำมันมันเหมิดจังสอหลูกสูบมันติดจังสิถึงจะมีฝีมือวันไดมันก็ะับไปวัไรเพอเหตุใดพอว่ามันเสียแล้วเครื่องมันเสียวันหนึ่งอันนี้เท่กัน วิญญาณของเขานี่มันคับไปบุริย์ับเขื่อนบุริยพราะเหตุใดเพราะร่างกายมันเสียแล้วมันหมดสภาพแล้วเพราะนั้นมีท่า้งเดียวก็ต้องออกจากร่างไปเมื่อออกจากร่างไปใสบ่บาตเนีเ่ยในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าพูดว่าคันว่าผู้ใดท่านกรรมชั่วกรรมชั่วจะเป็นผูผ้าไปกันว่าผู้ใดท่านกรรมดีกรรมดีจะเป็นผูผ้าไปถ้าเข้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดอีกแน่นึงว่าคนที่ ท่ามกำชั่วเนี่ยคือ ค, อคนเออมีรถขั้นนี้แล้วเอาไปมีรถขั้นนึงแล้วมีรถขี้แล้วนี่แต่ขี่รถทวนออกไปบริหาเงินบริหาท้องบริหาเรทรัพย์ ส, สมบัติไวบริหารถขั้นนี้พังบาล น, นี่มื่อทวนเอกไปหาเงินสี่สองกับใครบาลนี่จีซื้อขั้นไม้กับใครเพราะเหตุได้พราะ บ, บริหาเงินแต่ว่าคนพนันเนฉลาดบาล น, นี่มีรถก็จิงยู แต่ว่าหาเอาคิดว่ารถขันนี้จะต้องพังแน่นอนอีกสักมือหนึ่งก็หาอาทํามากข่าขายเอาเงินตัวนี้แหละเอารถตัวนี้แหละใช่ให้เป็นประโยชน์เอหาเงินหาข้าศัพย์สมบัติเก็บหอมรอมริบใส่กระเป๋าไหวเอาน่อไปคันว่าอีกสักมือหนึ่งรถขันนี้พังข่าพระเจ้าจะต้องซื้อรถอีกขั้นอีกนึงอีกต่อไปไพ่ภาคนาอะอันนี้แหละคือค้นมีบุญ ตเตรียมการไว้ก็คือคน เ, ออตเตรียมเง่อนไว้นั่นน่ะก็คือกันคานวัตคนที่กี่เกียร์กี่ขั้นมีแต่ใช้รถซื้อมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแ่บริสุทแสวงหาบวชเสืออีกต่างหากว่า บ, บ, บาปุ่นขุ่นโทษมีคิดว่าตายแล้วสูญอีกต่างหากข้าคนน้นพลังก็คือบ่าได้วิ่งเต้นขนควายสรั่งคุณง่ามความดีในเมื่อเขาออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ยในละความทุกข์ทั้งหลาย บาปอคุศโทั้งหลายก็จะเข้าสู่จิตใจของเขาคนนั้นแล้วก็เป็นผ้าหนําหลวงวิญญาณของเขาไปสู่พบพุ่มต่างๆยังไปเกิดเป็นสัตว์นิรันดร์สั่งหมากงัวควายหมูม้าเป็ดไก่เป็นใดทั้งนั้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเป็นเบิ่งแล้วเป็นเห็นแล้วทีว่าปุเพเนวาสานุสติยาาของเพป่นเพลินมองเห็นแลนออไปเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลาย การเวียนว่ายตายเกิดเนิงพานตาสงสยัยอันใดเป็นผูผ้านั่มไปบุญกับบาปผลว่าเพราะนั้นยังลงพอยกเป็นผ้าสิตขึ้นบ่มตัวกุสราธรรมมาอกุสราธรรมาอัพยากตาธรรมะเนี่ยกุสราแปลว่าจิตที่เป็นกุศลอกุสลาธรรมาจิตที่เป็นบาปอัุศลอัพยาคตาธรรมาคือจิตที่เป็นบ่มเป็นบาปบ่เป็น บ, บุญเป็นกลางๆลางผลว่าอัพยาคตาจิตเพราะนั้น โดยมากที่อัปยากตาจคิตเนี่ยมีน่อยมีหน่อยกับกุสลาศกับกอาคุสลาศ์ทำมากุกสัมราศ์ทำมาได้เป็นที่เป็นกุศลเมื่อเข้าเกิดมาได้พบพระพธิสัตวนาให้สางบุญสางกุศลให้ทําคุณงามความดีอยู่กับพอ่อกับแม่ปู่ยาตายายบ่งสาขนายาศก็เป็นคนดีเในไฟนั่นพวกเข้าลูกหลานอาจออกตนญาติโยมทุกทุกทันเนี่นนะย่าตั้งยอยู่ในความประมาท ในลักของพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าคนที่สูตรแล้วเห็นว่าตายแล้วบวชศูญ ต, ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ทำให้เกิดอีกนั่นคือวิญญาณคือใจตัวหน้ามาทำอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแหละทางว่าพวกเข้ารู้แล้วศึกษาแล้วทางว่าพวกเข้าอยากจะรู้ อ, อยากจะรู้ตามแนวแถวของพุทธกให้นังภระวนาอย่างที่วานเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้า กำหนดล้มหายใจเขา่าหายใจออกอย่าไปคิดปรุงออกไปทางนอกให้มีสติอยู่กับตัวเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าจิตของเขาร่วมสงบปเป็นหนึ่งแล้วพวกเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นวัจจตังเรู้จะเพาะตนคาว่าพวกเข้าปฏิบัติแต่จังสั่นนั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วความเชื่อมัน่นแล้วความเชื่อถือไม่ต้องถามผู้อื่นเจ้าของจะรู้ได้ด้วยตนเอง เออตายเราเกิดตายเราสู์แม่นอิลีตามหลักของพระพุทธศาสนาโอ้พระพุทธเจ้าท่านเพิ่นพิสุทธ์จังใดเพิ่งหูไดจังสี่เออแมน่นจริงเ<อ>พราะนั่นพอแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูหลวงตาที่เพิ่นอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างหลวงปูเสาหลวงปูหมันหลวงปูเถดหลวงปูมหาบัวองคไดก็ตาที่เพิ่นอยู่ในปงปง่าดงพงไพ่มากเนี่ยเพิ่นเสือจังสี่แหะเสือในคุ้นง่ามความดีเสือในบาปบุญคุ้นโทษ เชื่อในการกระทําของเพลินเพราะนั้นพวกเฮาทุกๆท่านเป็นลูกเป็นหลานออกตนญาติโยมเนะ้อให้บำเพ็ญกุศลเขาสู้คิตเขาสู้ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและก็พร้อมกันในยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อจะขอเตือนพวกเราทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเนะ้อที่มีพอมีแม่เออมีพอมีแม่โดยมา ก, มากลูกเต่าเล้าหลานคู่มือนี่ยโดยมากพม่จะเอาใจใจเจ้าของนะเด้อขั้นว่า ขั้นว่าเปรียบเทียบกับพ่อแม่กับลูกนี่นะหลวงพ่อวานะเปรียบเทียบพ่อแม่กับลูกเนี่ยไอ้พ่อแม่เนี่ยคือกันก็พ่ายเหือเอ่อรองโขงวนออกไปเออ เ, อ, อเหื่อเนี่ยไหลรองโขงวนออกไปไหลต่างกระแสน้าที่ให้ความเมตตาแก่ลูกวนออกไปขั้นว่าเกื่อจะให้ลูกหนี่งทุ่มเททุกอย่างวนออกไปว่าแต่ลูกเจ็บลูกป่วยลูกไขว่าแต่มีในมือมีเงิ่นทรัพย์สมบัตินี่ ข้อมที่จะทุ่มทุ่มเทพให้ลูกคนเอาไปเออคือกันกับพ่ายเพื่อตามน้ำไหลเราองไปไหลเร็วเราลงไปไมีดยังทุ่มเทพเหวี่ยแต่โดยมากบาดลูกปว่านี้เออลูกที่สงเคาะห์อนุเคาะ์อพ่อแม่เนี่ยคือกันกับพ่ายเพื่อท่วนกระแสเราไปเจงสั้นละ่ะเออไหายซาซาวเราไปจม๋มจ๋อมอยู่จำโยมของเก่ากันสั้นละคนเราไปใพวกเขากลืนกินน้ำมันแมนบอ่อย แม่พ่อหลวงพ่ออินวาวอลลงไปเอใครพวกเราคิดเปลืงหน้าขั้นอาวสีซอยสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่ในอยากนว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอข้าวันจันทร์บ่กขาจังสี่ค่าทำมากข้าขายบ่กข้าลูกค่าเตาค่าเงินค่าข้ามข้าเอี้ยงนี่ตะติดตะของทั้งมดแต่ทางวานลูกเจ็บไข้ได้ป่วยนพ่อแม่เนี่ยบริวารลงไป มันอยู่ใสมันป่วยจิ๋นใหมันมีเงิน่นมีค้าบวชเข่าร่องพยาบาลใสนี่ยพอแม่จิตุ่มเท่สุกย่างเพราะความรักลูกเพราะฉนั้นพวกเข้าทั้งหลายในฐานะลูกเต่าหน้าให้เบิ่งพอเบิ่งแม่เมื่อพอแม่แกเถ่าชะล่าแล้วเพื่นวัได้พึ่งพาอาศัยผู้อื่นถึงเพื่อนจะบอกว่ากูวัได้คิดว่าจะพึ่งมึงหรอกัสิเพื่อนก็จะปากซีดเลย แต่ในใจคงเพลินโอ้ยขันกูบอพึ่งมึงกูก็จะพึงไผ่กูเข่ากูเท่ากูแกแล้วเพื่อกระเคลนในใจยังสั่นขึ้นกันนั่นแหละในพลันพวกเข้าในฐานะลูกหลานเนี่ปฏิบัติพอปฏิบัติแม่เนี่เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเข้ามากๆที่เดียวถ้าว่าพวกเขามีลูกปีเต่าไปต่อไปผ้ายภาคหนา ล, ลูกหลานของเข้าลูกเตออ่าของเขาก็จะปฏิบัติเข้าอย่างที่เข้าปฏิบัติพอปฏิบัติแม่นั่นแหะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกับเข่ากับ ตัวของเฮ้าในรักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้มองขามได้เอี่ท้าวว่าพ่อแม่หลวงรับรับขันไปแล้วกันถ้าบุนอุทิศส่วนกุศลให้เพิ่นอีกพูน่ะเนี่ยาว่าลูกลูกข่ำนี่เนี่ยลูกเต่าลูกลูกเนเอยข้าน่ว่าพูดให้ชัดเยนกันคือลูกหนีนั่นแหละลูกหนี่ลูกหนีเอาท้งไปข้าหนาว่าพ่อแม่เอินลูกนี้ลูกนี้ริงทุกข่ำกับทีพดไปเอาทั้งไปเพิ่นตะวันตะว่าลูกลูกซื้อ แต่พอพิจารณาดูแล้วเฮาเป็นลูกหนีพนเนอตั้งแต่หัวจดเท่าเนี่เฮาได้มาจากไผ่เฮาคืดปังโนโกเฮาคืดปังดีดีเนาะตั้งแต่หัวจดตีนเนี่ยเฮาได้มาจากไผ่อามาจากพอจากแม่แมนบอกเนถ้าเมื่อได้มาจากพอแม่เพื่อนก็เลี้ยงดูอีกย่างหนีอีกต่างหากจนเฮาเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นเถาเป็นแก่ปานนี้ล่ะได้มาจากพอจากแม่ทั้งมดดทั้ะนั้น ให้เข้าคิดเพิ่งให้ดีสิ่งใดที่มั่นบอดีเข้าอย่ไปหลีคิดหลีทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับเพิินเข้าเขาควรจะดูบำรุงดูแล ร, รักษาเพิินเวลาเพิินเจ็บไข่ได้ป่วยเ อ, อจะทำให้เพลินหนักอกหนักใจทุกอกทุกใจก็เข้าบางคนบวเป็นเจียงสันเด้ลูกเต่าเล้าล้านเกิดไม้ไยที่หลังอคณาว่าพ่อแม่เฮ็ดพิดอกพิษใจได้หน่อยเนีเ่ยเครียให้พ่อให้แม่บัลลลึกถึงบุญคุณของเพลินพ่อแม่เลี้ยงเข้ามากยาก เพราะนั่นผัวเข้าถูกหลานทุกคนนะที่หลวงพอบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นครเพื่อให้พวกเข้าสํานึกสำเนียงในบุญคุณของพอ่อของแม่ของพวกเข้าแถาวผัวเข้าถ้ำถูกถ้ำเป็นธถ้มแล้วนั่นแหละความสงบลมเย็นเป็นซุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในตัวของเขานะเป็นอันดับแรกเพรานว่าพ่อแม่เนี่เป็นบุพผาอาจารย์เนียเป็นอาจารย์คนแรกสอนบุตรที่ดาบบุพผาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอน ให้ลูกเต่าของของเพิินหมดไปเกิดมาแล้วพายสิสอนเป็นบวชเด็กหน่อยเอ่นอนจังสีนะเอ่นอนจังซีนะกินขา้าวจังซีนะทายจังสีนะอาบน้ําจังสีนะพอแม่สอนก่อนหมูมัดเพื่อนว่าเป็นบุพพอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของพุท ธ, ธิดาเอ่ต่อมา ก, กัพ่อที่จะเขาลงลโรงเรี้ยงอะไป็เกิดเขาโรงเรียนเ อ, เนเเนเอ่อนุบาลเอ่ต่อมา ก, กับเขาโรงเรียนเอ่ประชาบาทเอ่มัตต ปฐมมัธยมปริญาติโทษเอกจนชุดความสามารถของเพิินอันนี้แหะคือพ่อแม่ทรงเสียลูกให้ได้รับการศึกษาพ้นวัให้ยุดยูหยุดใจหยุดหนึ่งอันนี้แหะพ่อแม่เป็นบุพก า, ารน์เป็นพ่อแม่เป็นพรมของบุตญพ่อมันคือเป็นผู้พ่อมาพิหารเป็นผู้มีเมตตากับลูกแม่ผู้ใดทีจะมีเมตามมเมตายิ่งกว่าพ่อครับกว่าแม่ไอพวกเข้าคิดบังให้ถูกก็แล้วกันเพราะนั่นพ อ, อ, อบางโทนนะ เขาแกขนาดผมขาวผมร่วงฟันรุดหมดแล้วลงไปในโรงพยาบาลโรงพยาบาลยิ่งพอลรงพยาเกี่ยวไปเกี่ยวของกับโลกพยาบาลเนยะเวลาสิตายมาเนี่นะใจสิขาดไเลยแม่เอ้ยมาซอยคอยแนะี่ยแม่เอ้ยมาซอยคอยเนะี่ทั้งที่แข่าร่นมัดโพแหงแล้วลงไปแม่จะตายจนโอแหงแล้วลงไปอันนี้คือฝังจิตฝังใจเลอฝังจิตฝังใจของคนเฮาลงไป ว่ามีผู้ใดจะได้รับความอนุเคราะห์อบอุ่นยิ่งกว่าแม่กว่าพ่อเพราะนั้นพัวเข้าเนี่ให้คิดบึงให้ดีๆก็แล้วกันนะเพราะนั้นเท่ากมีพอมีแม่ผู้ใดกระต่ายมีพอมีแม่ใครช่วยกันดูแลประคับประค้องใหญ่ถ้าให้เพิินพิษอกพิษใจดูแลคงบุญคุ้นของเพิิน อ, อีกบ่ดนนอกนะต่างคนกับต่างสังสมคุณงามความดีข้านว่าผู้ใดปฏิบัติกับพอ่บพอกับแม่ถูกแล้วนะ เป็นศีลเป็นธรรมแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเลยเพราะพุทธเจ้าพณัตรพนบอกไว้ว่าถ้ า, ากว่ายุคใดสมัยใดไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เขาเหล่านั้นปฏิบัติบิบดามารดาโดยความเป็นธรรมเขาไปสู่สวรรค์ได้เปนว่านะเพราะว่าภูทีพอเมเบอเป็นธรรมาดาเนยะค่านว่าผูา้ใดปฏิบั ต, บติถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ผู้เขาทำดีแล้วเขาไปสู่สวรรค์ได้ผลอเนกสง์ตีปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่เจ้าของนะพ่อแม่เป็นพระอรหันของของบทเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าเพื่อยังเปรียบเทียบขนาดนั้นพระพุทธองค์บอกว่าอนันตเรียกรรมห้ามาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอารหันตะคาดฆ่าพระอรหัน์โลหิตตุบาตทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห่อ คื อ, อยังไปเที่ยวถาดขึ้นบนภูเขาหรือกิ่งหินลงมาพระพุทธเจ้าสะเกะหินกระโดนกระเด็นมัทบกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้ายังพลโลหิตใหย่หอไอเด่นะบาปนักอันนี้นก็ได้สังฆเพศยังสงให้แตกกันคื อ, อยุสงยุยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายอันนี้พันวาเป็นบาปนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆาบิดาอารหันตะคาดฆ่าพระหัน์ เพูนว่าขาพอขาแม่คือกันกับขาพระรหันต์ถามว่าพวกเข้าปฏิบัติกับพอกับแม่เป็นศีลเป็นธรรมก็เหมือนปฏิบัติกับพระรหันต์เทียบเท่ากันเพราะนั้นพวกเข้าออกโหนงหยาดโยมลูกหลานเนื้อทุกคนนะที่เป็นลูกเป็นเต่ากันผู้ใดผู้พอยยอย่างคุณโยมมีลูกสามสีคนอยงนี่แหะกันยังเหลือตะแม่บาดนี่ยที่เอิญผู้ใดเอิญพอพอป น, นี้ก็บพวกขึ้นพอเจ้าของเนี่ยที่เอิญแม่แม่ป น, นี้ก็บพวกขึ้นแม่เจ้าของเนี แม่บังเกิดเก่าในลึกซึ้งนั่นหมายถาว่าพวกเขา้ารู้จักบุญรู้จักคุณแล้วเพราะนั้นออกตนญาติโยมหลูกหลานทุกขูทุกคนนะ้าที่หลวงพ่อเดีมากพูดมาเบาโมานี้กะนับว่าน่านที่ปีหนเฮเป็นสมัยนะะี่ก็เป็นหลวงพอ่อว่างานของโยมไม่นัง่งเพราะคือพอนัง่งเอ้ยจากนั่นกันเองโดนเติบเลยได้เจนมากพบมาออกมาเจอเกี่กับศรัทธาญาติโยมยัง ข้าสลทธิลงพอเด็กเก่าเบื้องตอนว่ากุสราธรร ม, มาอากุสราธรร ม, มาอัพยากตาธรร ม, มาเนี่ยพ่อให้นั้นพวกเข้าทั้งหลายให้ทําจิตใจเป็นกุศลสิ่งใดบดีอยาเหตยาลิเหตฤทธิธรรมฤทิขีดฤทธิผลฤทิพดูพ ด, พดฟันออกไปให้ทําสิ่งที่เป็นกุศลอกุสราธรร ม, มาเนี่ยเป็นว่าสิ่งที่บันบดีเข้าควรจะงดเว้นในสิ่งที่บั้นบดี มองไปแล้วเออมั่นบอดีเนอะร์เดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นนี่เจ๊เฮาก็จะไปหายเหตุหาธรมนะาการพูดการแสดงรรมในมในีประเห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พวกออกตนญาตโยมทุกขูทุกคนนอะปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเถอ